Bye. Mm -hmm. น้องสามไมวันใจพ้อกันมือเลยาเวินลับเส้นย้งเล่งคำเืิดลาดีเนี่ยมาคนดีนีทีินี่บเห็นเกมเด่นไอ้ค้อยท่าอง โ เ, เ, เป็นอย่างน้องจร่งมาเกอไม่อ้ายคอยเก้อคนดีมานัง่งถื่มดียหัวใจให้เพียเดลาเมื่อใดเด่อดเดนองจะบาใหท้ทางอยู่เด้อคน พ่อกันวันนี้หรือว่าบนน้องคนดีลืมใส่ผู้มาคอยเน่า มานั่งดื่มเบียหัวใจไอเพียดดเดลาเมื่อใดเดน้องจะมาให้ทางอยู่เด้อคนดีน้องไปอยู่ใสนัดกันไว้พอกันบ่อนี มาคอยน้าคอยน้าลำมือยินมีตนี้อยู่ที่ลูบีงานเก่าอยู่ที่เข้มขาเป็นยังเดิมจริงต้องหลอกหายหน้าหัวใจ